น้ารงเทาต่อยหลายแหล่งช่วยกันอาจารย์พิสารอาจารย์ทรงศิลนอาจารย์อันคิดอาจารย์มัาชัยอาจารย์วัดทองขานหลายหลายลูกช่วยกัน เรากยอยางช่วยตัวเองบ้างเขียนตัวเองบ้างมันก็เดินไปด้วยกั น, ปกนเป็นหมใครล่าใครเหนื่อยใครช้าก็ชุ ก, กันไปเราคือบอกคือสอนตุ๊เจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอก ให้เราทำการกระทำเป็นหน้าที่ของเราเอาการกระทำตอนต้นๆทีเจ้าอุบัติขึ้นพระองค์ทำอย่างไรอย่าทิ้งตรงนี้หกปีผ่านไปทำอะไรบ้าง ทำไมไม่ได้อวบขึ้นตอนพุที่องค์อวบขึ้นองค์ทำอย่างไรเราจับตรงนี้กานก็ร่มต้นก็คือมีสติไปในกายเดียวทิ้งดูมัน ให้มันเห็นอยู่ตตาตหน้าเนืองเนืองเมื่อมีสติเป็นในกาย<ป>จะเห็นเรื่องของกายอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายให้ทำหน้าที่เป็นผู้เห็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นกับเรื่องอาการต่างๆเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอาการ เป็นผิดเป็นถูกเพราะอาการเป็นยากป็นง่ายเพราะอาการของกายไม่ใช่ให้เห็นตรงๆเข้าไปไม่จะมีอะไรเกิดขึ้นตรางร้อนความหนาวอวามปวดความเมอยให้เห็นเฉยๆอย่าไปถือว่ายากหรือว่ามันหลงก็อย่าถือว่าเป็นหลงให้เห็น นั้นถูกก็ อ, อย่าถือว่าเป็นถูกให้เห็นนั้นผิดมันสุกมันทุกก็ อ, อย่าถือว่าเป็นสุกเป็นทุกให้ธรรมที่เห็นจึงจะไปะไปตามพระพุทธเจ้าเจ้าเจ้าก็บอกไปแล้วเฉลยไว้แล้วว่าเห็นกายสว่ากาย ไปแล้วหลุดไปแล้วมากมายอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายหลายอย่างงับไม่ท่วนเดียวมาเป็นตัวเป็นตนนอกจากกายก็มีอะไรที่เกิดขึ้นก็มีกายมีจิตใจมีรูปมีนามก็เห็น มันแจงมาให้เราทำที่เห็นมันจะง่ายมันจะสะดวกเรียกว่าวามเพนทางกิดให้มันไปร่วมกันกับกายเอาเฉยกายเป็นตำลามันบอกผิดบอกถูกบอกถูกบอกทุกข์ให้เราได้ศึกษาถลลงย่อย นิสติเป็นการศึกษาไม่ใช่ความคิดไม่ต้องไปใช้ความคิดเหตุผลให้เห็นตรงๆเข้าไปนีกว่าปฏิบั ต, ติตรงอะไรที่มันผ่านมาให้ทำหน้าที่เห็นมาทางนี้ถ้าเป็นมาเนิ่นช้ามันจะยากมันจะง่ายมันจะผิดมันจะถูก ถ้าเห็นเรามันง่ายๆ่าสะดวกเหมือนทางด่วนเหมือนถนนว่างถ้าเป็นลรมันติดขัดเป็นจราจรติดขัดเป็นโขกเป็นทุกข์ไปให้โขกให้ทุกข์ขวงกันให้ผิดให้ถูกขวงกันเอาไว้ไม่ใช่ต้องให้ตัวเองสะดวก อย่าทำให้ตัวเองมีปัญหาถ้ายากก็ไม่ถือว่ามีปัญหาทำให้ตัวเองมีปัญหาถ้าง่ายก็ถือว่าตัวเองมีปัญหาเอาความไม้มาต่อรองเอาความยากมาต่อรองหนักไม่เอาบบกไม่สู้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องสะดวกที่สุดไม่ใช่ยาก ดังนักกรรมฐานเขาบอกว่าฝึกกิจใจเหมือนจับปูเสีกระดง้งมันไม่ใช่ตู้ที่มีราคาจริตโทสดจริต้องเหมืนเพนต่างกันโตสดจริต้องเหมืนเพนเมตตาราคาจริตต้องบํงเพนอสุภกรรมฐานไม่ใช่แบบนั้น มีอันเดียวเท่านี้ภาวะที่เห็นที่ดูมีอันเดียวเหมือนเหมือนเวไปเป็นทางไปได้เป็นลรไม่มีทางตันแล้วสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์หรือว่าลาคะลัวกการมัจจุขันนิการโยก็ได้สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ถือว่าอ่อนแอ ถ้เห็นมันสุกเห็นมันทุกถือว่าเข้มแข็งลอ <c oughs> งเข้มแข็งดิลองเห็นลองทำถูกแต่มันไม่ใช่นั่นไม่ใช่มีอะไรติดขัดนั่นเราทําอะไรที่มันถูกมันไปงานมันบอกความถูกพาไปา เมือกับมบอกทางกรมกรมภาวะที่เห็นน่ยมันพาไปไม่มันเหมือนกระบอกทางภาวะที่เป็นมันเหมือนกระบอกอีกเหมือนกันชมผัสตัวเห็นก่อยเห็นเวทนาคือสุขคือทุกข์เหมือนกันหมดภาวะที่เห็น เห็นจิตที่มันคิดก็ภาวะที่เห็นถ้าไปควบคุมมันไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดมันมีสิ่งเกี่ยวข้องให้เป็นจำเลยที่หนึ่งที่สองถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่หนึ่งที่สองที่สามไปก็ยากเอาความคิดบ้างเอากายบ้าง ก็มาหากายดึงความชิดกลับมาไม่ได้ดึงสักต่อเรียนแต่รู้แล้วสณะจิตใจก็รู้ยิ่มยิมไว้ทำสบายสบายให้มันเรียบเรียบไว้อย่าให้เป็นคลื่นอันชิดก็รู้เรียบเรียบอันเก่าเห็นอันเก่าอันสงบก็รู้ ไม่ใช่ไปชอบความสงบไม่ชอบความพุ่งซ่านถ้ามันชิดไปพุ่งซ่านก็ไม่พอใจมนาะค่อยสะดวกเป็นความยากข้ามเครียดหน้าดูดหน้าเบื้องมันั่นไม่ใช่ให้เห็นไปเรียบเรียบไปก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าสตินี่เหมือนใบมีรดรถแท็กเตอร์ การไปทางไหนมันจะเรียบเต็มเหมือนไม่กวอดการไปตรงไหนมันจะสะอาดใช่ดู ใ, ให้มันลู้เฉยๆให้เห็นเฉยๆอย่าอย่าหลุดไปตรงนี้ ใ, ใครก็มีเหมือนกันใครก็คิดเหมือนกันน่าจะคิดมากพุทธ สมัยพระเจ้อเถะึกอาจจะคิดมากกว่าเราอาจจะหลงมากกว่าเราไปกับความคิดเปรียบเทียบเ้าเคยใช้ชีวิตสุ ข, ของมาราชาตสะดวกเมื่อมาอยู่ลำพังในร่มไา้เฉยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นให้เราสังเกต ด, ดูอาจจะยากกว่าเรา แต่ว่าผู้ที่มีความเพี่ยนไม่มีอะไรยากไมมีอะไรง่ายไม่เอายากง่าย ม, มาต่อรองนะ<ม>เห็นอะไรที่เกิดขึ้นในค้อบมั่งทั้งกายทั้งใจควงมโมงเหงาหอนนอนก็เห็นจองมชิดพุ่งสังส่นก็เห็นความทเลยสงสัยก็เห็นมันเกิดขึ้นมา มันเคยคิดแบบนั้นเคยใช่แบบนั้นเรามั่งง่วงก็หลับตาหาว่าปากใ้ใช่แบบนั้นให้เห็นภาว่าที่รู้เป็นภาวะที่ดูะะ ท, ที่เห็นเนี่ยมันมันอาจจะแช่ได้ทุกอย่างเฉลือยได้ทุกอย่าง เป็นตัวเฉลยปัญหาที่เกิดกับกายกับใจได้ไม่ต้องไม่ต้องใช่สมองผ่านไปได้เลยมีแต่ผ่านไปแต่พื้นแต่เผยไปมันจ ะ, จะแสดงเป็นตลาดนัดเป็ น, ปนอะไรที่มันรวมก็อยู่ที่กายที่ใจนี่มันจะแสดงออกมา เป็นหมวดเป็นหมูเป็นผิดเป็นถูกยังไงเห็นลูกเห็นหลางไปเห็นฉินเห็นสมาธิเห็นปัญญาอะไรที่มันเป็นบ่อยเห็นเป็นหมวดเป็นหมูก็สนุกนะปฏิบัติทมแนวบางทีถ้าดูดีๆมันจะช่วยเรา ถ้าเป็นศีลก็ศีลจะช่วยเราบอกถ้าเป็นสมาธิปัญญาก็ช่วยเราถ้าเป็นอกติลก็หลงทุกข์เราแล้วก็รู้สัมผัสเราไม่ใช่มีคําถามสัมผัสดูถ้ามีความหลงมันก็ไปอีกแบบนึงถ้ามีความรู้ก็ไปอีกแบบนึง ความรู้ส่งไปทุกคนละทางความหลงส่งไปคนละทางเหมือนกับพระพุทธเจ้าเคยบอกว่ากุศลอกุศลกุศลก็คือกุศลเดือนเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นถ้ามีกุศลคือความรู้ความเห็นภาวะที่ดูที่เห็นน่ะ จะเลืิอนขึ้นเรื่อยๆภาวะที่เป็นก็เสื่อมลงเรื่อยๆถ้ามีหลงก็เสื่อมอะไรเกิดขึ้นเรื่อยๆตัวความหลงนี่เป็นต้นเหตุในความอกุศลมันก็เสื่อมรวมรู้สึกตัวเป็นต้นเหตุเหมือนกันเป็นบิดาเป็นมารดาของบุญของบาปก็ว่าได้ เราจึงหาตนสอนตนจะบอกลราไปเป็นเป็นสูตรไปนั่นเป็นหลักสูตรไปดังที่เราเล้กใช้สูตรเพราะสูตรนี้ปฏิปทาในสูตรเนี่ ย, ยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็เอาศัยสูตรนี่แหละสอนเราไปทําให้มันแจ้งขึ้นมา แม้แต่เราเป็นนักบวชหรือเป็นฆรวาดก็อันเดียวกันการทำพรนิพพานให้แจ้งเมื่อยี้เราก็สวดนิาน า, าชจิกราตถยาเอตามังคัละมตมงการทำพรนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลแม้แต่เราออกบวช สัพพตุก็เนจณะนิพพานาสัจีคณะถายาอมังกาสาวังเห้ตวปะปพาเชตามังันเตเถ้าเจ้าอาศัยผ้ากาสวัดนี้สบงจีวร น, นี้โคนผมนี้เพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่เพื่ออันเดิน เ่องหลงให้มันหมดไปผ่านไปความทุกข์ก็หมดไปผ่านไปนั้นหมดสิ่งใดที่มันหมดไปเป็นไม่มีปัญหาก็เรียกว่านิพพานชีมลองไปนั้นหมดไปจริงจริงไม่ใช่มันมีทำสิ่งที่มันมีให้มันไม่มี สัมผัยังไม่สมผิยังไม่มีให้มันมีขึ้นมาเรียกว่าเปลี่ยนหรือว่าพ้นภาวะเก่าหรือว่ายานวิปัชนาญานแต่ก่อนหลงแบบนี้ไม่หลงไม่หลงในความหลง เมื่อเหมือนหลงมันไม่หลงไม่หลงเพราะความหลงไม่สุกเพราะความสุกไม่ทุกข์เพราะความทุกข์แต่ก่อนหลงเป็นหลงสุกเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์โตลงมาดูจริงๆมันไม่ใช่หลงก็เป็นปัญญาเป็นความรู้ผิดก็เป็นถูกเป็นความรู้สุกก็เป็นความรู้ทุกข์ก็เป็นความรู้ เป็นความรูปเป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญาอย่างเนี้ยเรียกว่าร่วมพ้นภาวะเก่าถ้าไม่ผ่านผิดแล้วก็ไม่ถึงถูกถ้าไม่ผ่านทุกก็ไม่ถึงไม่ทุกจึงเห็นของจริงอะไรมันเกิดขึ้นกายกับใจเรื่องของจริงจริงแบบไม่จริงโกมหลงมก็จริงแต่มันไม่จริงแหม มันไม่จริงเหมือนไม่หลงรวมทุกข์ก็จริงแต่มันไม่จริงเหมือนไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์มันมีก็ไม่หลงมันมีบันเทศบันจริงต่างกันรวมหลงจริงแบบนั้นรวมทุกข์ก็จริงแบบนั้นแต่มันไม่จริงแบบไม่ทุกข์ เรียกว่าสมมติบัญญัติปรมาจสัจะมีอยู่ในชีวิตเรานี้อย่าใหส้สมมติมันท่วมท้นให้หมีปรมาจในชีวิตเราเนี่ยมันจริงมันไม่จริงมันเท็จมันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่าองหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงกว่าใช่ได้ ชีวิตที่ใช้ได้สำเร็จเป็นกระแสแ่งพระนิพพานสัมผัส ด, ดูหรอเห็นช่องเห็นทางทางมันจะบอกไปเองบอกผิดบอกถูกแม้แต่ความไม่เที่ยงรวมเป็นทุกข์ความไม่เช่ตัวตนที่มีในรูปในนามนั่นก็บอก เป็นพลังขับเคลื่อนให้เราได้มีถึงมากถึงขนได้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ธรรมดาเห็นความเป็นทุกข์ไม่ใช่ธรรมดาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามันไปแล้วถ้าเห็นนะเห็นความไม่เที่ยงก็พุ่นจากความไม่เที่ยงเห็นโฉมเป็นทุกข์ก็พุ่นจากความเป็นทุกข์ เล็ความไม่ใช่ตัวตนกาพ้นจากความไม่ใช่ตัวตนสัมผัส ด, ดูถ้ามีไม่เป็นทุกข์ความไม่เที่ยงถ้าไม่เป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์ควา ม, า ไ, มไม่ใช่ตัวตนมันจะมีอะไรเหลือแล้วมันเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่หมายคิดเอาหนูภาพมันเป็นการสัมผัส ด, ด้วยชีวิตมันได้ชีวิต ชีวิตไม่ถูกสําลายชีวิตไม่สูญเสียแต่ก่อนความโศกความทุกข์กักขงังความกดความโลภ ก, กักขงังัตรนี้มันผ่านมาได้อุดปิดมันจะเป็นเช่นไรเมืนเราเห็นงูพ้นจากงูจะจะเลือกอะไรมาช่วยเหลือมันไม่มี เป็นการทำของเราเป็นพึ่งตนพึ่งดีพึ่งถูกต้องพึ่งความหลุดพ้นอย่างพระเจ้าเห็นอริสัตย์สีเห็นของกิงอันประเสริฐเห็นทุกข์ก็เป็นของประเสริฐเพรามันพ้นจากทุกข์เห็นความหลงก็พ้นจากความหลงมันประเสริฐไม่ใช่เห็นของอะไรที่มัน เป็นฝ่ายโลกตาเห็นโลกหูได้ยินเสียงไม่ใช่แบบนั้นมันเห็นธรรมรถพระธรรมย่อมชนรถทั้งพวงอันอื่นไม่มีมีรถเดียวถ้ามีรถอันอื่นไม่ใช่รถมก็เป็นหลายรถแต่รถพระธรรมมีรถเดียวคือเห็ น, นรถแั่เดียวเนี่ย เห็นไม่เป like, ็นน <tail> <windows> um ี่ยเป็นรสเลดเหมือนมันด่ายอดโอชาแห่งโคโรดดังที่เราสวดธรรมปะหังรสประทมเหมือนมันด่ายอดโอชาแห่งโคโรดคือมันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันรดรดเดียวมันโศกก็เห็นมันทุกข์ก็เห็น ไม่แต่รดที่เป็นการทางตาก็เห็นไม่ใช่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบถ้าเห็นโลกก็เห็นไม่มีความชอบไม่ชอบอันชอบไม่ชอบเป็นรสแบบโลกเนีกว่าโลกียะรสโลกุตระโลคียะมันต่างกันโอ้ที่ยินเสียงก็มีรสใต้โลกอ่ะ พอใจไม่พอใจมันเป็นลสของโลกถ้าเห็น น, นอันเดียวท่านเจ้าก็สแสดงก็บอกว่ามีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจาถอนความพอใจและความไม่พอใจ <c oughs> ในโลกออกเสียดได้ความพอใจความไม่พอใจถอนออกมามันมีสติแล้วและอยู่ สัมผัสดูแต่ส่วนมากเราก็อาจจะติดโลกมาแล้วแต่ต้องมีสติเอาไปช่วยดูถอนลงมาดูก่อนให้รูเสีย ก, ก่อนสัมผัสดูสดเป็นลิบรีบร่นิดเดียวแต่ก็นั้นหลายทางอะไรก็ตามให้สติเป็นตัวเฉลย ทั้งหมดเลยถ้าเราสิมีสติเห็นกายมากระมาทั้งหมดตัด้งกิต ด, ด้วยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวายเคลื่อนไหวก็เป็นยืนเดนินดั้งนอนหยับหยอบพริบต่อหายใจไก้ใ จ, ใจมันเคลื่อนไหวคือมันคิดถ้าจะไปเอาความคิดไปบังคับคิดเล ย, ยมันจะยาก หรือเช่าไม่ยากก็เป็นสมาถะสงบอยู่นั่นติดความสงบเอาความสงบเป็นสมาธิสมาธิแบบความสงบสมาธิแบบออกศิลาทับยาสงบแบบศิลาทับญ้าแต่ภาวะที่เห็นเนี่ยมันมันไม่ทบมันทําให้หมด ย่าย่าหมดไม่มีเชื่อไม่ใช่นั่งสงบก็มีสมาธิตำอะไรอยู่ก็มีสมาธิเพราะสมาธิมันเป็นอันเดียวหนึ่งเดียวทั้งหมดคือเห็นเนี่ยรวมตรงคือสมาธิเหมือนกันแต่ว่าที่เห็นไม่เป็นอะไรเป็นสมาธิ <mister tumors> ที่ตัดที่กำจัดจิเล็ได้หรืว่าศีลกกำจัดจิเลอย่างยาสมาธิกำจัดจิเลอย่างกลางปัญญากำจัดจิเลอย่างละเอียดหรือว่าพระพุทธได้ชอบเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ว่าทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ว่าสงเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ไม่ใช่อย่างอื่น ก็คือสติเนี่ยทั้งหมดผู้มีสติเป็นหน้าลอกไม่เผอหรือว่าขีนาศกมีมีควรสมบัติเท่ากันหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงเหล่าสาวกมาถึงที่เดียวกัน พระพเจ้ามาถึงที่แล้วท่านก็มาถึงที่นี่แล้วถ้ามีสติเนะี่ยแล้วก็คือมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญานี่สติก็รักความชั่วมีสติก็ทาความดีมีสติกิตก็บริสุทธิ์นี่เป็นงานของพวกเราที่นี่ถ้ามี ถ้าเรามีพุทธศาสานาไม่ถึงมากถึงผลเราจะถือศาสานาไปทําไมมีศาสานาไปเพื่ออะไรมันต้องเป็นมากเป็นผลพระเจ้าบาดขึ้นเพื่ออะไรถ้าอะไรเชื่อพระเจ้าทําไมเกิดพระเจ้ามันทํำยังไงหนักกิดเกิดเจ็เ จ, เจ็บตาย เป็นโจย์การเกิดการเจกการเจ็บความตายเป็นโจทย์เราทุกชีวิตเป็นจำเลยตกเป็นจำเลยของความเกิดความเจอความเจ็บ ค, ค, ความตายจิตรามองถึงจุดนี้จึงเสางหาคำตอบตามพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตอบให้ได้ สถานะที่พระ อ, องค์ไปเจ้าว่อชายเลยหาคำตอบเรื่องนี้โดยยืดเอาหลั ก, ลกนักบวดเป็นเป็นเหมือนชีวิตเพื่อศึกษาเรื่องนี้สะดวกขวาทุกอย่างซึ่งมีมาก่อนแล้ว <c oughs> จนไดยคำตอบออกมา ดังที่เราสวดธรรมะจักยานเกิดขึ้นแล้วจะเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเรายานคือมันล่วงพ้นมันข้ามทะลุทะลวงยานมาใช่หอเหินระดัอากาศยานเคยมันทะลุทะลวงอะไรที่มันมีอยู่ในกายในใจทะลุทะลวงถ้าเป็นคําตอบก็ตอบคำเดียวแล้วว่ารู้แล้วรู้แล้ว รู้แล้วเราไม่เที่ยงก็รู้แล้วมอบไป่ความไม่เที่ยงกเมันทุกข์ก็รู้แล้วมอบไป่ความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วมอบไป่ความไม่ใช่ตัวตนไปเป็นที่ทิ้งให้สะอาดอะไรมันทำไมสะอาดจนได้ตัดชะลุเราได้ตัดชะลุแล้ว ประเทศปกปูดเป็ักรวชีเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายมีพบไม่มีพบอีกแล้วเป็นเป็ น, ปนชาติสุดท้ายแล้วไม่มีอีกเอาว่าเกิดเขาว่าเจ็บเขาว่าเจ็บว้ตายไม่มีอีกแล้วจึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าน่หลงต้นจากเนี่ยจากเอกายไปนําลาเอา ใจเป็นำลาเอาสติพนักศึกษาใครก็มีมีกายมีใจมีสามลักษณะเหมือนกันหมดความไม่เที่ยงก็อันเดียวกันความทุกข์ก็เหมือนกันความไม่ใช่ตัวตนก็เหมือนกันอย่าเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์อย่าเอาความทุกข์มาเป็นทุกข์อย่าเอาความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์เอามาเป็นพระนิพ涅槃 ื่อเจ้าใช้ชีวิตอย่างนี้แยาวความมอวงวเป็นความหลงก้วาวไปเช่ก่อนให้ความหลงเป็นความรู้จึกตัวให้ความสุขเป็นความรู้สึกตัวให้ความทุกข์เป็นความรู้จึกตัวมันจึงจะไปเหนือการเกิดเจเจ็บตายถ้าไม่ก้าวผ่านตรงนี้มาข้ามตรงนี้ก็ไปไม่ถึงถามอยู่ที่นี่เรื่องกรรมฐาน กรรมาถามอยู่ที่นี่ที่ต้องอยู่ที่นี่การกระทำอยู่ที่นี่เห็นหลงเป็นลู่เนี่ยเป็นกรรมถ้าหลงเป็นหลงไม่มีกรรมกรรมไม่มีผลไม่จําแนกสัตว์ถ้าเปลี่ยนหลงเป็นลูกกรรมจําแนกไปแล้วกรรมูนาเวติโลโกสัตโลกจมไปไ ป, ไปตามกรรมศาสตร์นี่ไม่ใช่ศาสตนาอ่อนวอนสาส า, ารกางกระทำํำ ถ้าเราหลงอยู่นั่นแหละทั้งที่จะให้เกิดปัญญาเปี่ยนหลงเป็นรู้ต้องหลงก็มีอยู่กับเราทุกคนให้เลือกเวลาการเปลี่ยนหลงไม่เลือกกานเปลี่ยนหลงไปไม่หลงก็ไม่เลือกเวลาเหมือนกันเนว่บาบาลิกรรม <c oughs> แลบาบาลิกรรมเห็นธรรมที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสุกวเตถุผู้ปฏิบัติ ภาวนาคือหยันรูเนี่ยปะหยันรูเรียกว่าภาวนาแล้วก็ทำได้นี่เรียก ว, ว่าอาชีพของพวกเราชีวิตของเรา ต, ต้องต้านั้งหลายมาสนับสนุนมาช่วยกันก็เป็นอาชีพอันนี้เหมือนกันไม่ใช่อย่างอื่นอย่างอื่นใีคนอื่นทำไปที่จะ จะทำงานแบบนี้จะมีอาชีพแบบนี้ให้สะดวกพวกท่า น, นั้งหลายญ า, ยาติโยมขลหัดขลว า, าดญาติโยมช่วยเหลือให้เข้าให้น้ำให้ถือสายให้เสื่อให้ผ้าเครื่องนุ่งหมเจ็บใครได้ป่วยดูแลรักษาเพื่อความสะดวกในการทำงานอันนี้ มีประสบการณ์บ้างก็มาบอกมันไม่ใช่ฟรีไม่เสียแรงยังมีผู้บอกอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมะเราก็ทำตามที่พระเจ้าตั้งแต่วันออกบวชไม่ลืมเลยจตุคตะนิชนะนิพพานาเนี่ย เอาความทุกข์มันเป็นนิพพานทุกขะนิพพานะสัพพะทุกขะนิจฉะนิพพานะสัจจิกณาถายะเอมอิมังกาสาวังอาศยผ้าชีาชวรสวงหม่มไม่มีชุดไหนอีกมีชุดเดียวเท่านี้เพื่อทำมริพาน้แจ้ง ไม่ใช่เพื่อชีวิตอันอืินยังไม่ตายาชีวิตแบบนี้กูยังไม่ตายบางทีบางอย่างไม่จําเป็นไม่จําเป็นีนะทํามันอื่นขอใช้ชีวิตจําเป็นเรื่องนี้มันหลงนี่จําเป็นต้องไม่หลงปัญหานี่ต้องเป็นปัญญาให้ได้ความผิดอันนี้จะต้องทําให้มันไม่ผิดต่อไป มันเกิดขึ้นไหลขึ้นมาเจียวกากับใจในจพยามไม่หลงมาเท่าไหร่ก็จะไม่หลงเปลี่ยนร่อยเป็นดีหรือว่าภาวนาเหมือนวันที่พรเจ้าตรัสรู้สอนอะไรยิงมาเป็นดอกไม้บูชามันไม่ใช่สอนลูกสอนนั้นหมายถึงความเจ็บปวดในความคิดในตาในหูจะไม่ มีสุขมีทุกข์ด้วยเวทนานะ่ะเวทนาไม่เป็นเวทนามันเป็นหลอกไ ม, ม้บูชาไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทำดูผิดเป็นครูมันผิดแล้วก็ตื่หลือล้นนั่งอยู่ ด, ดีสร้างสติอยู่ดีมันคิดไปพุ่นไปคิดปน็น่น ตื่นกับมาโอ้ได้ความประสบก่อนประสบก่อนกับบทเรียนที่ดีผิดแท้ๆทาไมมันไม่ผิดทุกแท้ๆทาไมมันไม่ทุกมันไม่มีงานอะไรที่มันชัดเจนเท่ากับเรื่องนี้ขอเวลาทําอันนี้ขอเวลาพูดอย่างนี้ให้คนไม่มีเวลาเมาใช้ชีวิตแบบนี้ เป็นสวนตัวขากมันอย่าลบวนกันอย่าทำให้การเดือดร้อนทาหน่วยความสะดวกสนับสนุนให้คนได้ทำแบบนี้ลองดนูนะให้ต่อเรื่องลองดูพออยู่กันได้นี่อันอื่นเราไม่มีที่นี่ไม่มีอะไรไม่ใช่พระเศกพระสวดไม่ใช่พระสร้างพระหลายมากมายทำอะไรพออยู่ได้ จะมุ่งเน้นในเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่หัวใช้ชีวิตกินข้าวชาวบ้านอยู่กติชาวบ้านนุ่งห่มผ้าชาวบ้านที่มาให้มาเพื่อใช้ชีวิตส่วนนี่ยั้งนักบวชทั้งที่ใครก็ตามถ้าใครดำริออกจากความทุกข์อย่างนี้แล้ว ว, ดดลออลวว่านักบวชได้ดำริออกจากโลกที่ว่านักบวช ถือบวดเป็นองบายจะเป็นคือว่าเจ้าจอมก็มาถือบวดกนลองดูวันสิบวันเจ็ดวันชั่วช่างสบัดหูชั่วโมดแอฟรีนจะมีกระแสรรให้เห็นได้เออเราเคยดูแบบนี้เวลามันหลงหรือมันชวนจะตายใจจะขาดมันจะมีรหัสออกถ้าเราเคยไว้บ้าง ผู้มายใช่พหมายใช่ได้ตกกระดัยคอยกรยนได้ถ้าไม่หาเฉยมือแปดด้านนะยังไงต้องเจ็บต้องแก่ ต, กต้องตายเวลาเจ็บทำงาน<ไ>เจ็บผู้ความเจ็บหรือแก่ผู้ความแก่หรือตายผู้ความตายหรือทุกข์ผู้ควมทุกข์หรือมันไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ไปต่อรองเอาสุกเอาทุกเอาอะไรมาต่อรองกับชีวิต แม่ลมหายใจก็ไม่มาต่อรองกับเราหายใจไม่ได้ไม่เช่าลมหายใจมาต่อรองชีวิตต้องเป็นชีวิตเจ่งไหมนะเก็บเป็นทเก็บไม่เจ่งทุกเป็นทุกไม่เจ่งทุกต้องไม่เป็นทุกไม่ต่างกันไหม คนเหมือนกันทำไมคนหนึ่งทำได้คนหนึ่งทำไมได้ไมีมาแล้วตายไม่เป็นตายลองดูสิอะไรเท่มทำไมตายหลายอยา่างอย่างน้อยที่สุดล่าหลังที่สุดคือลมหายใจรองดเสิไม่ใช่ลองหลอกฝึกไปให้มันจำนานลองดู อาอามหายใจมาตลองกับชีวิตชีวิตต้องไม่เป็นอะไรมันเป็นอะไรกับอะไรมันเหนือทุกอย่างเลยนี่คือพุทธศาสนาไม่ใช่อ่อนรอนไม่ใช่รูปแบบพุทธศาสนาคือมันไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรมาทดลองกับชีวิตเราเห็นหมดเรื่องอะไรที่เกิดกับกายกับใจนี่เห็นหมดเลยไม่มี ปัญหายีงต่อไปจบมาแล้วจริงๆจบมาแล้วทุกคนจบได้ทุกคนจบได้ ค, ไดความหลงครั้งสุดท้ายได้วงมโอดครั้งสุดท้ายได้ความทุกครั้งสุดท้ายถ้าหากมีหลงอยู่มีโดอยู่ถ้าไม่เปลี่ยนที้ตีมก็มีตลอดไปไอ้รวจีวันกีเดือนจีปีแล้วมันมีประโยชน์อะไร เราจะมาเอาอันนี้มาหัดตัวนี้ให้มันเป็นจช่ในชีวิตต้องตื่นตื่ดึกสึกเตือนนมนะต้องให้มันเป็นไม่ใช่ใมันรู้นะต้อให้เป็นการเป็นต้องสอนตัวเองนั่นหลงรู้เป็นบาสถ้าหลงเป็นหลงทั้งทำไม่เป็นแก่เพราะอยู่นาน แก่ต้องแก่เพระความรู้ไม่ใช่อยู่นานหนุ่มก็หนุ่มด้วยความรู้ น, นี่จะเป็นชีวิตชีวาของพวกเราอยู่เย็ยนเป็ น, ปนสุขสง บ, สบร่มเย็นทั่วทุกทนหน้าได้นี่คือศาสนาะจึงจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราสร้างบ้าน ส, สร้างวัดสร้างวารทำบนตกบารเพื่อการให้โดยตร ง, ตงจ่งเสริมสนทนกัน สมควรเช้เวลากับภาพความกัน